อธิษฐานเศนยกล่าวคำขอพอสมาทานในการปฏิบัติทำแล้วเนี่ยต่อจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของทุกทุกท่านที่จะต้องสํารวมต้องสอังวรต้องระมัดระวังเพราะว่าการการปฏิบัตินั้นถ้าเราสํารวมมากแล้วก็เพียรมากก็จะได้ผลมากถ้าเราสํารวมน้อยเพียร น, น้อยผลก็จะไม่บังเกิดขึ้น อยู่ที่แต่ละท่านแต่ละบุคคลที่จะมามาปฏิบัติเอาสาหรับในในการเปิดหลักสูตรสติปัฏฐานภาวนานั้นเนี่ยก็จะเน้นเอาหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐา น, นมามาฝึกกันก็จะมีการบรรยายสลับโดยจะมีการบรรยายในภาคบ่าย ในในช่วงพาคบ่ายเนี่ยจะมีการบรรยายวันละหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็พักเช้าก็จะบรรยายเล็กน้อยพักค่าก็เล็กน้อยนะจะมีการมาทำวัดสดมนนะทำวัดสดมนย่อๆสั้นๆแล้วก็ฟังธรรมะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นก็มีการปฏิบัติร่วมกันระยะหนึ่งแล้วก็จะให้ท่านทั้งหลายไปปฏิบัติกันตามลาพัง ก็จะให้เป็นไปแบบนี้ทุกวันเพราะว่าการการมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะจะให้ท่านอยู่ตามลําพังบางท่านอาจจะลำบากใจเพราะว่าการใส่ใจก็ยังไม่ชํนานาญนะเราไปอยู่ตามลําพังตั้งใจปฏิบัติจิตก็ฟุ้งถ้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้ให้เกิดพลังแนวร่วมนะ ทำให้เราสามารถประคับประคองซึ่งกั น, ลกนและกันแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันไปได้คราวนี้ในในหลักสูตรของสติปัฏฐานภาวนาเนี่ยที่ท่านทั้งหลายเคยเคยฝึกมาแล้วนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านที่ผ่านการฝึกตามแนวใช้คําบริกรรมที่ฝึกมาแล้วหลายๆท่านบางท่านก็หลายครั้งบางท่านก็ครั้งสองครั้งมาเข้าสู่ กาปรปฏิบัติตามแนวของมหาสติปัฏฐานนั้นเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับจิตของท่านที่เคยฝึกมาแล้วนะตามคำบริกรรมที่เราเคยบริกรรมใส่ใจแล้วก็มีการบริกรรมเกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเกี่ยวกับการกำหนดริยาบทเกี่ยวกับการกำหนอดอาการพองอาการยุบท่านเคยฝึกพองหนอยุนอนะุบน้อะมาแล้วแล้วก็ใส่ใจใน อาการคองท้องคลองท้องยุบมาแล้วมีการบริกรรมพอมาฝึกตามแนวของมหาสติปัฏฐานนั้นท่านก็อย่าได้หนักใจท่านที่เคยใช้คำบริกรรมท่านก็สามารถใช้คำบริกรรมได้ต่อไปแล้วก็เกี่ยวกับการเดินจงกรมการกําหนดการเดินจงกรมเนี่ยที่ท่านฝึกมาแล้วมีตั้งแต่ระยะที่หนึ่งถึงระยะที่หกแล้วก็มีการบริกรรมสายย่างหนอ่อ ปาย่างหนอะนะมีการยกหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนออะไรหรอเนี่ที่ที่เคยบริกรรมมาเนี่ยก็ไม่ต้องหนักใจนะท่านยังสามารถใช้คําบริกรรมได้แต่ว่าจะเป็นการค่อยๆนะยกระดับจิตจากการที่เราอาศัยคําบริกรรมเนี่ยจนกระทั่งคําบริกรรมหมดไป เหลือแต่อาการกิริยาอาการล้วนๆแล้วก็ใส่ใจรับรู้ในอาการจิริยาอาการล้วนๆเมื่อเราไปถึงระดับนี้แล้วสติสัมปชัญญะของเราก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นในเบื้องต้นใหม่ๆนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราบริกรรมไปก่อนพอทำไปทำไปสักระยะหนึ่งคําบริกรรมเขาก็จะค่อยๆหลุดหายไปคราวนี้เมื่อบริกรรมหายไปเหลือแต่อาการล้วนๆ แต่เราสามารถรู้สึกในอากาศล้วนๆได้ให้เราเข้าใจว่านั่นการปฏิบัติของเราก้าวหน้าแล้วคือเราสามารถยกระดับจิตของเราแล้วก็จิตของเราได้ว่องไวใส่ใจทันทุกอากาศกิริยาอาการ mm. ก็จะเป็นการค่อยๆยกระดับจิตของท่านที่ฝึกมาในแนวนี้นะ mm. แล้วก็จะให้เข้าไปสู่ประเด็น ถึงตัวบทที่พระองค์ทรงสแสดงไว้อย่างชัดเจนในสติปัฏฐานนั้นว่าเขาใส่ใจกันแต่ละอิริยาบถแต่ละยาบทนั้นใส่ใจอย่างไรกําหนดอย่างไรจะมีการบรรยายมีการอธิบายโดยละเอียดที น, นีก่อนก่อนที่จะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยธรรมาก็อยากจะสร้างรูเพื่อให้เกิดกําลังใจแก่ท่านทั้งหลายก่อนเรื่องการการปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะเกิดกำลังใจเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะแล้วก็การปฏิบัตินั้นเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วจะทําให้ให้เรานั้นเนี่ยเกิดกำลังใจในการปฏิบัติแล้วเราก็มั่นใจในการปฏิบัติเพาการปฏิบัติของเราไม่ไร้ผลการปฏิบัติของเรานั้นมีมีผลอยู่เราก็ต้องย้อนมาดูว่า หลักธรรมะในแนวทางการปฏิบัตินั้นเนี่ยที่พระธัมมบดสุริเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยท่านมีจุดพุทธประสงค์อย่างไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรที่ให้เราเข้ามาปฏิบัติกันสาเหตุที่องค์ทรงสแสดงธรรมะแก่มวลหมูส่สรพพสัตต์ก็เพราะว่าทรงมองเห็นทรงพรารลถึงถึงบุคคลที่กําลังได้ประสบกับทุกข์อันใหญ่หลวงคือสาเหตุ<ะ><ะ>เกิดมาจากทุก รงทรงมองเห็นสัพพสัตถ์ทั่วไปเนี่ยกําลังถูกทุกข์บทคียอยู่แล้วก็ตกอยู่ภายใต้แห่งห่วงของทุกถูกทุกทักทบถมอยู่มองเห็นมวลหมู่สพรพพสัตวเป็นทุกข์องทรงเห็นสัพพสัตเป็นทุกข์ทุกเพราะการเกิดขึ้นมาทุกเพราะการดํารงชีวิตอยู่แล้วแก่ชรา ทุกเพราะต้องพัดพลาดจากกันไปร่วมหายตายจากไปมาพิจารณาเห็นบุคคลกําลังทุกข์พอเห็นบุคคลทุกข์ก็เกิดน้ําพระทัยที่ต้องการจะอนุเคราะห์เรียกว่าเกิดพระมหาการุณาขึ้นในน้ําพระทัยของพระพุทธองค์คือเกิดเกิดความการุณาแตยังมวนหมูสรรพสัตที่เขากําลังได้รับทุกข์อยู่ ว่าบุคคลกำลังทุกข์แล้วทุกข์เหล่านั้นจะหมดไปได้อย่างไรบุคคลต้องยากเพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะหิวโหวยเพราะขาดอาหารเพราะพัดพลากจากของที่รักที่ชอบใจทุกข์เหล่านี้จะหมดไปจากใจของบุคคลได้อย่างไรทรงปาราวลบถึงถึงเรื่องนี้ตะนนั้นพระองคยังไม่ได้ตรัสรู้อนุตรสสัมมา ส, ามสาัมโพธิญาณ หนทางที่จะทําให้ให้สรรพสัตว์พ้นไปจากทุกนั้นก็ยังไม่มีคือคือยังไม่มีไม่มีหนทางว่าจะทําอย่างไรสรรพสัพตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากจากทุกได้เมื่อทรงมองเห็นสรรพสัตว์เป็นทุกต้องการจะช่วยเหลือพระองค์ก็ต้องแสวงหาวิถีทางที่จะช่วยตอนนี้ทางที่จะช่วยนั้นวิธีการที่จะช่วยก็ยังไม่มี เมื่อยังไม่มีวิธีการที่จะเข้าไปช่วยสัพรพสัตวน์นั้นพระองค์ก็ต้องแสวงหาวิธีการโดยการค้นคิดโดยการหาอุบายจะทำให้สรรพสัตว์หมดทุกข์พระองค์ก็ทรงปราลบถึงว่าการอยู่คลองเรือนนั้นคับแค้นนะการอยู่คลองเรือนนั้นมีภารกิจมากไม่สามารถที่จะจะค้นหาความดับทุกข์ให้พบได้ดังการที่จะไปค้นหาวิธีทางแห่งความดับทุกข์นั้นเนี่ย จะต้องเป็นอิสระพอประมาณเมื่อดำรีอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จออกบรรพชาเสด็จออกอภิเนิกรมออกบวชแล้วก็ในระหว่างที่ออกบวชในปีต้นๆช่วงหกปีแรกนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงเกี่ยวกับการสแสวงหาความรู้ที่จะทําให้บุคคลพ้นไปจากความทุกข์พระองค์ก็ทรงจาริกไปในสํานักของครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อขอศึกษา แต่ศึกษาจากสำนักของคณาจารย์ในยุคนั้นที่มีชื่อเสียงอยู่ก็เป็นจำนวนมากแต่ศึกษาจากอาจารย์สองท่านวาระสุดท้ายท่านอาลาระดาบดกับท่านอุทกาดาบดพระองค์ไปศึกษาในสองสำนักนี้เนี่ยสามารถเรียนรู้วิธีที่จะทำให้จิตของตอนเองเข้าถึ ง, ง, ง, งดดคว า, ามสงบอย่างสูงสุดได้คือจิตเข้าถึงความสงบอย่างสูงสุด ที่เรียกว่ารูปประชานอารูปปัจานแต่ว่าถึงเข้าถึงภาวะแห่งความสงอบอย่างสูงสุดของเจตในชั้นโลกยะก็ยังไม่สามารถที่จะดับทุกได้ทุกยังมีอยู่ทุกในน้ำพระทยยังมีแล้วก็ยังยังไม่พ้นไปจากความทุกขก็มองเห็นว่าหนทางนี้ยังยังไม่พ้นไปจากความทุกขอย่างแท้จริงยังดับทุกไม่ได้ คนนี้ทําอย่างไรอ่ะในบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆได้เข้าไปศึกษาก็ศึกษาจนหมดภูมิความรู้ของครูบาอาจารย์ท่านก็จะต้องแสวงหาตามลําพังก็เลยตัดสินใจไปแสวงหาทางพ้นทุกตามลําพังในการไปแสวงหาทางพ้นทุกตามลําพังตอนนี้นี่แหละไปทดลองดูเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าที่นักบวชเขาสอนกันในยุคนั้นเนี่ย สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงไหมแล้วก็นักบวชในยุคนั้นเขาสอนกันสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือสอนแบบย่อหย่อนเรียกว่ากรารมัสุขัาริการุโยคอีกเรื่องหนึ่งก็สอนแบบตึงเคร่งครัดเรียกว่าอัตตะกิรัมมัทานุโยกมีการทรมานตนเองในเรื่องของกรารมัสุขัาริการุโยคนะั้นพระองค์ไม่ต้องทรงทดลองนะเพราะว่าได้ผ่านชีวิตตอนยังทรงพรนะเยลน่ะตอนยังเป็นเครือขัดผู้ครองเรือนเนี่ย ได้ผ่านการบริโภคกรรมะคุณอารมณ์มาแล้วบนทางนี้พ้นจากทุกข์ไม่ได้แล้วทําไมนักบวชนยุคนั้นเขาต้องสอนสอนกันอย่างนี้นักบวชนยุคนั้ น, นคนอินเดียเนี่ยเขาเขามีความเชื่อ เ, เขามีความเชื่อถือคือนักบวชของอินเดียเนี่ยชาวฮินดูเขาเชื่อถือว่าผู้คนใดเนี่ยไม่ไม่มีบุตรเนี่ยจะตกนรกเขาเชื่อถือกันมาแบบนี้เป็นเวลาชาตินานหลายพันปี ว่าถ้าบุคคลใดเนี่ยเกิดมาแล้วในชีวิตนี้ไม่มีบุตรบุคคลนั้นจะตกนรกขุมปุตตะความเชื่อถือของของชาวฮินดูเขาเชื่อถือแบบนี้นี่แหละลัทธิกามสุ ข, ขันวิการโยกบริโภคกามนะจึงเกิดขึ้นสังคมของชาวอินเดียจึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับการคลองเรือนเกี่ยวกับการมีคู่เกี่ยวกับการแต่งงานเกี่ยวกับการมีบุตรพัญญาไม่สามารถที่จะให้บุตรสามีก็ไปแต่งงานใหม่ได้ เพราะว่าต้องการจะมีบุตรอันนี้นี่แหละการมาสุขันลิกานุยกเกิดขึ้นที่ตรงนี้เป็นนักบวชแต่ยังประพฤติผัวพันอยู่กับการมกคุณอารมณ์เนี่ยไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้พระองค์ทรงมองเห็นไปทดลองทางสายตึงที่เรียกว่าอัตตะกิรัมฐานุโยก่ปทรมานพระองค์เองนะทรมานอย่างแสนสาหัสเท่ บุคคลในยุคนั้นหรือนักบวชในยุคนั้นเขาทรมานตนเองอยู่พรองทรงไปทดลองทรมานยิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่สามารถพ้นจากทุกได้เวลาสุดท้ายเนี่ยท่านเลิกละจากหนทางสองประการนั้นก็มาดําเนินตามทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือตามแนวทางของอาริยมรรตมีองค์แปดประการ โรงเริ่มต้นมากระทําความเพียรทางใจในสมัยก่อนเนี่ยการปรารบความเพียรของนักบวชในยุคก่อนนั้นเนี่ยเขาเพียรทางกายเขาไม่ได้เพียรทางใจเพียรในด้านการทรมานกายเพียรในการนั่งนานๆนั่งบนน้ําแข็งอย่างเงี้ยเพียรในการยืนเพียรในการเดินเพียรในการกระทําความเพียรปารบเรื่องอะไเรื่องหนึ่งแล้วก็เพียร บางท่านไปจะทําความเพียรน่ะแบบใช้การกํามืออย่างนี้ก็ถือเป็นการกระทําความเพียรครับชนิดหนึ่งอาจจะกํามือแล้วก็ไม่ยอมปล่อยกำอยู่อย่างเงี้ยให้กำอยู่อย่างนี้เนี่ยกําไปนานๆเข้าเล็บมันก็ค่อยๆงอกแล้วมันก็แทงเนื้อเข้าไปนักบวชของชาวอินเดียยังมีอยู่นะประเภทกํามือแล้วนิ้วเล็บงอกทะลุมาข้างหลังมือเลยเนี่ยมีในยุคนี้ก็มีไปเชิหาดูได้ อันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นการกระทำความเพียรชนิดหนึ่งครับเป็นการกระทำความเพียรอย่างหนึ่งคือเพียรอย่างนี้เป็นการเพียรทางกายพ้นจากความทุกข์ไม่ได้รองทรงหันมากระทำความเพียรทางใจวเวลามากระทำความเพียรทางใจเนี่ยที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเริ่มต้นจากสมาธิทธิความเพียนถูกต้องสมาสังกัปตะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะตามลาดับไป สัมมาสติสัมมาสมาธิอันดับสุดท้ายไปปรารบความเพียรพอไปปราบปราบความเพียรเนี่ยการบรรลุธรรมจึงบังเกิดขึ้นณาคืนวันเพ็ญนะเดือนวิสาขะที่เรากําลังจะมีการปฏิบัติบูชากันในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติบูชาในฐานะเป็นวันตรัสรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วยคือวันวิสาขาบูชาที่จะมาถึงในวันที่ยี่สิบหกนี้นะ่ะ พรองได้ทรงตรัสสูลอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณณภายใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์ที่ตำบลกุลุเวลาเสนานิคมติมฝั่งแม่น้ำเนลันฉลาปัจจุบันนี้เรียกว่าตำบลพุทธขยาที่เมืองราชคจิฤก์นะอยู่ในแฟนมะคตขออภัยนะในแฟนมคตไม่ใช่เมืองราชเจิฤก์นะแฟนมคตตรงนัน้นเป็นเนื้อที่ของแฟนมาคดตแต่ราเจฤก์นั้นเป็นเมืองหลวง ห่างจากนั้นมาประมาณเก้าสิบกิโลเมตรนะถึงเมืองหลวงเมืองราชเกครึ่ตรงนี้นี่แหละเป็นการปรารบนะที่โรงทรงปรารบมองเห็นว่าสับปะสัตเป็นทุกข์ทาอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เลยสแสวงหาทางพ้นทุกข์และท่านก็ประสบพบจับผลทางคือทางพ้นทุกข์พอท่านได้พบกับทางพ้นทุกข์แล้วท่านก็นํำมาทางพ้นทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมาแสดงให้กับพวกเรา นำเราธรรมะรานั้นมาแสดงให้กับพวกเราหลักธรรมะที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์เนี่ยที่ท่านแสดงไว้โดยตรงอยู่ในหมวดหมแห่งโพธิปัจจียธรรมสามสิบเจ็ดประการเราไปไปศึกษาดูนะในโพธิปัจจียธรรมสามสิบเจ็ดอย่างมีสติปัฐานสี่สมมปิปทานสี่อิทธิบาทสี่ 4, อินสี่ห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดแล้วก็อริยมัติมีองค์แปด ในในในโพธิปัจญยธรรมสามสิเจ็ดประการในในโพธิปัจญาธรรมสามสิบเจ็ดประการที่เราหยิบยกมาเน้นกันในการปฏิบัติในครั้งนี้นะก็คือสติปัฏฐานสี่เพราะว่าสติปัฏฐานสี่นั้นจะเป็นหนทางเข้าถึงความดับทุกข์ที่ท่านแสดงไว้ชัดเจนชัดเจนอย่างไรอ่ะย้อนกลับมาดูว่าคนเราทุกข์เพราะอะไร ที่เราทุกข์เนี่ยอะไรเป็นทุกข์มันต้องมองให้เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์บุคคเรานั้นมีมีกายกายเป็นทุกข์มีใจใจก็เป็นทุกข์ที่เรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยทุกข์สองประการทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจทุกข์คืออะไรทุกข์คือความไม่สบายทาทนอยู่ไม่ได้ความไม่สบายทางกายและความไม่สบายทางใจ เราก็ย้อนกลับมาดูที่ท่านบอกว่าทุกมีอยู่สองอย่างทุกกายทุกใจเราก็ย้อนกลับมาดูว่าจริงไหมผู้ปฏิบัติต้องพิสูจน์นะพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ย้อนกลับมาดูกายอันนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูกายเราก็จะเห็นว่ากายของเราเนี่ยทุกขณะนี้กายของเราก็ทุกทุกเพราะนั่งนานเกินไปทุกเพราะใชอ้อายาบทใดอิยาบทหนึ่งนานเกินไป การใช้อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานเกินไปโดยไม่ขยับขยืน่นเคลื่อนไหวนั้นทําให้กลายเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในลักษณะนั้นไม่ได้เราจึงต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอิริยาบถกันตลอดเปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเดินยืนนั่งนอนเราก็เปลี่ยนอิริยาบถสลับเปลี่ยนเวียนกันไป เพื่อผ่อนคลายความทุกข์เพื่อทําให้ทุกข์ที่กําลังเกิดขึ้นลดน้อยลงไปเบาบางลงไปหรือเพื่อเป็นการแก้ไขทุกข์ที่ปรากฏอยู่การเปี่ยนรยาบทเนี่ยถ้าเรามองดูก็คือการบําบัดทุกข์เป็นเรื่องของการบําบัดทุกข์เราเดินถามว่าเดินทําไมถ้าเรามองเห็นชัดเจนเราก็จะเห็นว่าก่อนเดินเนี่ยกลายเป็นทุกข์ังั้นการเดินคือการบําบัด แล้วยืนถามว่ายืนทําไมเนี่ยถ้าเรามองดูกายก่อนจะยืนเราก็จะเห็นชัดเจนว่ากายเป็นทุกข์ให้การยืนก็คือยืนเพื่อบําบัดการนั่งนั่งทําไมก่อนนั่งเราก็เห็นว่ากายเป็นทุกข์นั่งเพื่อบําบัดทุกข์การนอนนอนทําไมถ้าเราพิจารณาก่อนที่จะนอนเราก็จะเห็นว่ากายเขาเป็นทุกข์งั้ น, นอนเนี่ยนอนเพื่อบําบัดทุกข์ การเปลี่ยนดิยาบทการขยับการพลิกไปพลิกมาการก้มการงยการคู่การเหยียดเป็นเรื่องของการบำบัดทุกข์ทั้งหมดกลายเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขทุกข์การแก้ทุกข์นะครูบาอาจารย์ท่านใช้คําว่าแก้ทุกข์แต่ต่อมาก็อยากจะใช้คําว่าบำบัดทุกข์ให้เรามองเห็นว่าเป็นเรื่องของการบำบัดกายของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการบำบัดเรามีกายเราต้องบำบัดต้องแก้ไขต้องบริหาร กายของเราเป็นทุกข์เราจึงต้องบริหารกายเพื่อให้ใคลายจากทุกข์อันนี้กายทุกข์จากอะไรบ้างกายของเราเนี่ยทุกข์ทุกข์กจากอะไรบ้างกายของเราเนี่ยที่เป็นทุกข์เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราย้อนมาดูนะเราจะเห็นว่ากายเป็นทุกข์จากหลายเหตุหลายประการเป็นทุกข์พราะถูกกระทบกระทั่งกับสิ่งตรงกันข้ามก็เป็นทุกข์นะ ก็คือร้อนเกินไปหนาวเกินไปเนี่ยเป็นทุกข์นะแข็งเกินไปเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์หรือบริโภคอาหารอิ่มเกินไปกลายเป็นทุกข์ไม่บริโภคอาหารก็หิวกลายเป็นทุกข์เพราะขาดสิ่งสี่สิ่งนะแล้วเราก็จะต้องบำบัดกายด้วยสิ่งสีสง่สิ่งสิ่งสี่สิ่งคืออะไรปัจใจสี่ปัจใจสี่ประการนั้นนั่นแหละ สิ่งแรกคืออาหารกายต้องการอาหารรูปร่างกายของสัตว์สัตว์นั้นขาดอาหารไม่ได้ท่านแสดงว่าสัพเทศตาอาหารรัตพิิกาชีวิตของสัตว์ศัตว์ตั้งอยู่ได้เพราะอาหารถ้าขาดอาหารแล้วกายดำรงอยู่ไม่ได้นั้นเราก็เลยต้องบริโภคอาหารเวลาเราไม่บริโภคอาหารเราหิวเป็นทุกเวลาเป็นทุกเพราะหิวอาหารเราก็บริโภคอาหาร นี่เมื่อมีการบริโภคอาหารก็ต้องสแสวงหาอาหารเราก็มีการสแสวงหาอาหารการสแสวงหาอาหารของบุคคลเราก็หลายวิธีนะมีการสแสวงหาหลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือเราไปเก็บเอาพืชพันธุน์พรนธุ์ยาหานี่มาปรุงเป็นอาหารรับประทานเลยนี่เป็นทางตรงทางอ้อมเราก็มีการปลูกเชาะอปลูก ก่อนที่จะเพาะพืชพันธ์ธัญญาหารก็จะต้องมีการขุดดินพวนดินในการขุดดินพวนดินเนี่ยเป็นเรื่องทําให้กายเนี่ยเหนื่อยกลายเป็นทุกข์แล้วเราก็ปลูกปลกเสร็จแล้วมีการรดน้ําจนกระทั่งพืชพันธุ์ธัญญาหารผลดดอกออกผลเราก็เก็บเกี่ยวเอามาเก็บไว้เพื่อบริโภคต่อไปอันนี้การแสวงหาจากทางอื่นจากการไปทํางานแล้วได้ค่าตอบแทน ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆแล้วก็นำเอาค่าตอบแทนนั้นไปแลกเปลี่ยนซื้อเป็นพืชพันธุ์พันญอาหารมาปรุงเป็นอาหารบริโภคเราก็ได้อาหารมาบริโภคการได้พืชพันธุ์ันญอาหารมาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของทุกข์อีกการปรุงอาหารก็ลาบากการหุงหาอาหารการปรุงอาหารแม้แต่การบริโภคอาหารยังลาบากแต่เราไม่เคยมองเห็นความลำบากนะ บริโภคอาหารแล้วยังจะต้องไปล้างมือล้างปากบ้วนปา ก, ปากแปรงฟันเป็นกระบวนการลำบากทั้งนั้นมีกระบวนการล้างจานทำความสะอาดเช็ดถูพกเก้าอี้นั้นเป็นเรื่องของความทุกข์นั่นเองเนี่ยการบริโภคแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยปาจะได้มาก็ลาบากป่าจะจัดปรุงเสร็จก็ลาบากป่าจะบริโภคได้ก็ลาบากบริโภคเสร็จแล้วการเก็บก็ลาบาก ให้มองเห็นว่ากายเป็นทุกข์เพราะอาหารกายเป็นทุกข์เพราะอะไรอีกกายของเหล่านี้ยบาบางกระทบแดดร้อนเกินไปกายก็ทนไม่ได้กระทบเย็นร้อนเย็นเกินไปกายก็ทนไม่ได้เราก็หาเครื่องป้องกันแดดสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขาใช้ใบไม้เอาใบไม้มาเย็บกัดกัดค่ะแล้วก็เอาปกติดกายกบาบังกายบางทีก็ใช้หนังสัตว์อยู่ต่อมาโลกเราก็วิวัฒนาการนะมีการ จัดทําผ้าแล้วก็มีการตัดเสื้อผ้าเย็บมาสวมใส่กันวิจิตทิศดานล้วก็ใช้เสื้อผ้าเนี่ยปกปิดอวัยวะที่จะทําให้เกิดความละอายปกปิดร่างกายเพื่อจะไม่ให้กายเนี่ยกระทบแสงแดดร้อนเกินไปกระทบลมหนาวเกินไปเราก็ใช้ใช้เสื้อผ้าเนี่ยปกปิดนั้นเสื้อผ้าเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ บำบัดกายให้กายคลายจากทุกข์เราก็สแสวงหาอีกสแสวงหาเสื้อผ้าการสแสวงหาเสื้อผ้าก็มีการสแสวงหาโดยตรงและสแสวงหาโดยอ้อมดีสแสวงหาโดยตรงเราก็ไปจัดทําเสื้อผ้ามาสแสวงหาโดยอ้อมก็คือไปทํางานแลว้วก็แลกเปลี่ยนเอาเงินแลกเปลี่ยนเอาเสื้อผ้ามาประการที่สามนั้นเน่ยร่างกายของบุคคลเราต้องมีสถานที่อาศัย คนสมัยก่อนก็อาศัยถ้มอาศัยภูเขาอาศัยใต้ต้นไม้อยู่อาศัยหลบไปหลบแดดหลบฝนหลบลมที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องกําบังแดดกบาบังลมกบาบังฝนมาในยุค ป, ปัจจุบันนี้เราเรามีวิวัฒนาการเราก็จัดทำนะจัดทาด้วยวัสดุที่เราผลิตกันขึ้นมาเนี่ยมีการก่อสร้างทาวรวัตถุเป็นอาคารฝนตกลงมาก็กันฝนได้ แดดออกก็กันแดดนะลมพัดมาก็กำบังลมได้ก็ทําให้กายของเราคลายจากความทุกข์ที่อาศัยจะได้มาก็ต้องมีมีสตังทองมีเงินนะเราก็ต้องทํางานเก็บเงินเก็บทองกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยบางทีใช้ชีวิตครึ่งชีวิตเห็นไหมเราสร้างตัวกันที่เราแต่งงานแล้วเราสร้างตัวแล้วเรามีบ้านเนี่ยบางท่านต้องอยู่บ้านเช่าไปถึงค่อนชีวิตกว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเอง เราจะได้บ้านมาหลังหนึ่งเนี่ยเลือกตาแทบกระเด็นทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกยากลาบากแสนเขียนขนาดไหนอันนี้ก็จะมองเห็นว่ากายเป็นทุกข์เรื่องของกายเป็นทุกข์นั่นเองจึงต้องสแสวงหาที่อยู่อาศัยประเด็นสุดท้ายกายของเหล่านั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดนะอากาศผิดโรคภัยก็เกิดขึ้นร้อนเกินไป เป็นโรคภัยไข้เจ็บเย็นเกินไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นหวัดเป็นไข้เป็นโรคต่างๆนะเบียดเบียนทางรักษาหายก็มีรักษาไม่หายก็มีเวลาร่างกายเจ็บป่วยเราก็เป็นทุกข์คนข้างเคียงญาติสนิทมิตรสหายของเราเจ็บป่วยเราก็เป็นทุกข์ลูกหลานเจ็บป่วยเราเป็นทุกข์พ่อแม่เจ็บป่วยเราเป็นทุกข์โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นทําอย่างไรต้องอาศัยยาอาศัยหมอ เราก็ไปหาหมอตำโรงพยาบาลไปหายูกยามารักษามาบําบัดเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของกายกายเขาบุคคลเราเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเหตุสี่ประการเราก็บําบัดทุกข์ให้กายด้วยปัจจัยสี่ประการแต่ปัจจัยสี่ประการเนี่ยมาเราใช้กันมาตั้งแต่ดึกดําบันรนะอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนีราเราต้องใช้อยู่เป็นประจำขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี้เราก็ขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้ เราก็ต้องใช้อยู่เราก็ต้องอาศัยอยู่ถ้าเราขาดแล้วเราเดือดร้อนมากเราขาดแล้วเราทุกข์มากคนที่เขาต้องนอนกลางดินเนี่ยนะไม่มีที่อยู่อาศัยลําบากทุกยากเหลือปล ย, ยุงลิ้นกัดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทรมานมากอันนี้เป็นเรื่องของทุกข์ทางกายให้เรามองเห็นว่ากายของบุคคลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นนะก่อนที่ท่านจะออกบวชตอนเป็นเจทวชาชสิทธัฏฐราชกุมารเนี่ยท่านมองเห็น ต, ตำราท่านบอกว่าทรงประพาสอุทยานไปอ่กับนายนายอะไรอะ่ะนายช น, นะเองจริงหรือเปล่าไม่จริงมั้งออกบวชไปกับนายช น, นะเนี่ยอไปจะอามาตอามาตอะไรก็ไม่รู้นะนึกชื่อไม่ออกออกไปประพาสเนะ่ะหรือไปกับนายช น, นะมาจะจําคาดเคลื่อนหรือโยมคาดเคลื่อนก็นไม่รู้นะช น, นะก็ช น, นะนะออกไปเนี่ยไปเห็นอะไรอะ่ะที่ไปเห็นเนี่ยนะตอนออกประพาสเนี่ย ไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปเห็นคนตายไปเห็นคนแก่ชราเนี่ยแก่ชราแก่ขํามข้แล้วก็หนังเหี่ยวหลังค่อมมองเห็นว่าเอ๊ะทําไมคนเราต้องแก่ด้วยแล้วเราจะแก่หรือเปล่าจริงๆมันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ในตำนานท่านกล่าวไว้ก็เป็นไปว่าท่านไม่เคยเห็นเลยเนี่ยคนแก่เนี่ยไม่เคยเห็นเลยคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยเห็นเลยคนตายไม่เคยเห็นเลย วิคราะห์กันตามตามเป็นจริงแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่จะไม่มีคนแก่ในพระราชวังบ้างเลยเนี่ยนะอย่างน้อยพระเจ้าสุโทโธทนะก็คงจะแก่แล้วตอนนั้นนะแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยสามารถแต่งตัวปกปิดได้ถึงจะแก่ก็สามารถทำให้ไม่แก่ได้แห่งตัวแต่งกายปกปิดนะแต่สามัญชนทั่วไปเนี่ยปกปิดไม่ได้ทำไมปกปิดไม่ได้เพราะว่าสามัญชนทั่วไปเนี่ยยากไรลำบากยากจน เพาอยู่กันไปนะมีกินมีใช้ตามมีตามเกิดนั้นออกไปก็ไปเห็นชีวิตคนจริงเนี่ยเนี่ยเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะเรามองเห็นชีวิตคนไม่ชัดเจนะชีวิตคนเนี่ยคราวนี้เราลองออกจากเมืองไทยแล้วไปแค่อินเดียเนี่ยต้องไปดูนะไปอินเดียเนี่ยเราจะเห็นชีวิตคนชัดเจนแล้วคนไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใจเดินอยู่ตามถนนมีให้เราเห็น คนไม่มีผ้าจะห่มนอนอยู่ตามชานชลาลถไฟมีให้เราเห็นคนอดอยากหิวโหยเก็บอาหารในกองขยะ ก, กินมีให้เราเห็นภาพราวนั้นเป็นภาพชีวิตของคนจริงๆมีอยู่แต่เราอยู่ในสังคมของเราเนี่ยเราก็มองไม่เห็นสภาพแบบนั้นเห็นน้อยนะถ้าเราไม่ไปเดินตามใต้สะพานทำย่านชุมชนแออัดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นชีวิตของคนในพระราชวังก็เหมือนกันจะไม่ค่อยเห็นอะไร กันเจ้าชายสิทธ า, ธาราชกุมารก็เลยมองไม่เห็นพอออกไปข้างนอกก็เห็นชัดเจนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เห็นคนตายถาหามคนตายไปปา่าช้ามองเห็นมองเห็นก็เกิดความสังเวชเห็นแล้วก็เกิดความสรอดใจชีวิตของคนเป็นทุกข์ทำอย่างไรคนเหล่านั้นจะพ้นทุกข์เราจะช่วยบุคคลเหล่านั้นให้เขาพ้นจากทุกข์ เวลาสุดท้ายไปเห็นสมณะท่านสงบดีมีชีวิตอิสระหน้าตาผ่องใสใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดีเรียบง่ายไม่ต้องวุ่นวายอะไรก็เลยตัดสินใจเลือกชีวิตสมณะแล้วก็ออกอภิเนกรมนะกุปสมบทบวชนะบวชเป็นนักบวชีชีวิตของบุคคลเนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์กอย่างนี้อันนี้ย้อนกลับมาดูใจใจของบุคคลเนี่ยเป็นทุกข์ ไม่ต้องมาก็ดูใจเราเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าจะให้ใจหยุดนิ่งๆสักหนึ่งนาทีเนี่ยหยุดได้ไหมใจบางทีมานั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบเราก็หงุดหงิดหงุดหงิด ท, งที่มีคนรบกวนนิดหน่อยเราก็หงุดหงิดเกิดอาการหงุดหงิดทางใจเกิดความไม่สบายใจเกิดความลำคาญใจเกิดความทุกข์ใจคนข้างเคียงเอาใจเราไม่ดีก็หงุดหงิดอีกสมัยก่อนก็เอาใจเราดีแต่ปัจจุบันนี้เริ่มแล้วนะเริ่ม เริ่มเฉยเมยกับเราแล้วเราหงุดหงิดอีกแ่ะใจของคนเราเนี่ยมีป ก, กติชอบน้อยใจชอบคับแช้นใจชอบหงุดหงิดชอบลำคาญชอบพง้งแล้วก็สภาพจิตของบุคคลเราเนี่ยท่านสรุปมาให้เราเห็นสองประเด็นประเด็นที่ทำให้จิตเป็นทุกข์เนี่ยท่านสรุปเพียงสองประเด็นประเด็นแรกก็คือจิตของเราเนี่ยูกความพอใจครอบงำ ประเด็นที่สองจิตของเราถูกความขัดใจครอบงำมีสองประเด็นเท่านั้นเองที่ทำให้จิตของเราไม่สงบแล้วเราไปตำรวจดูในะอตอนใจไม่สบายเวลาใดเนี่ยตอนเป็นทุกข์ใจตอนไม่สบายใจแล้วเราย้อนกลับมาดูใจเราจะเห็นว่าสองประเด็นนั้นแน่นอนเราจะพบว่าเกิดมาจากประเด็นใดประเด็นหนึ่งเกิดจากความรู้สึกพอใจเกิดจากความรู้สึกขัดใจ พอใจก็อยากได้ก็แสวงหาขัดใจก็ผลักดันต้องการจะจ ะ, จะไปให้พ้นต้องการให้ไปให้พ้ น, นจิตของเราก็มีอยู่สองอย่างอยากได้มาจะอยากผลักดันออกไปชีวิตของคนเราเนี่ยถ้ารักษาภาวะจิตให้อยู่ตรงกลางนะตรงกลางคือไม่อยากนำเข้ามาแล้วไม่อยากผลักดันออกไป ให้ใจอยู่กลางๆในสิ่งสองสิ่งสิ่งสองสิ่งก็คือสิ่งที่น่ารักประการหนึ่งสิ่งที่น่าชังประการหนึ่งสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจกับสิ่งที่น่าเกลียดน่าชางังสองอย่างเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วใจอยู่กลางๆลงรักษาระดับจิตให้อยู่กลางๆได้แล้วจิตของเราจะไม่เป็นทุกข์จิตนม่จะไม่เป็นทุกข์ จิตของเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งสองสิ่งเท่านั้นเองพอใจกับกับขัดใจยินดียินร้ายภาษาธรรมะท่านใช้คําว่ายินดียินร้ายท่านใช้คําว่าอภิชาและโทมนัทนะอภิชาและโทมนัทพระถูกอภิชาครอบงำํำพระถูกโทมนัทครอบงําจิตของบุคคลเราจึงไม่สงบจิตจิตของคนเหล่านั้น จึงต้องสัดแฝ่งสัดสายอยู่ตลอดหุดหงิดอยู่ตลอดเลือดร้อนอยู่ตลอดมีความร้อนเกิดอยู่ในภายในตลอดแล้วเราก็ทุกนะบอกว่าทุกบางทีเราก็บ่นว่าทุกเหลือเกินทุกจริงจริงบางคนก็ทุกไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วเราก็หาให้คนอื่นช่วยนะนตอนทุกต้องการให้คนอื่นช่วยบางทีเราเราไปหาผู้ช่วยไปสแสวงหาในสิ่งผิดผิดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยได้ แต่กับทุกหนักยิ่งฝาเก่าก็มีเพอะเราทุกเราก็ไปอ้อนวอนก็มีไปกราบไหว้ก็มีทุกแล้วเราก็ไปขอขอให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วยด้วยขอให้สารพระพรหมช่วยด้วยขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยด้วยเราจะเห็นว่าทั้งๆ ท, ที่เรารู้ธรรมะเนี่ยบางครั้งเนี่ยให้เราทั้งเกียใจนะแต่อีกตอนคับแค้นถึงที่สุดไม่มีทางออกเนี่ยมันต้องคับแค้นถึงที่สุดไม่มีทางออกนะเราก็จะหาทางออก โดยการไปพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งๆสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้เพื่อให้ใจมีกำลังใจทนคนเราจึงพึ่งพึ่งสิ่งต่างๆพึ่งที่เราเรียกกันว่าหลงงมงายพึ่งสิ่งต่างๆก็ทำให้เขาเบาใจนิดหน่อยสบายใจนิดหน่อยเป็นที่พึ่งได้ไม่แท้จริงแต่สาเหตุอยู่ที่ไหนพพอประจ้าให้แกที่นั่น เวลาแก้ไขปัญหาเนี่ยเหตุเกิดที่ไหนแก้ปัญหาที่นั่นก็ทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดมาจากใจดำริใจของเราที่ทุกข์เนี่ยนะที่เราไม่สบายใจเนี่ยเกิดมาจากใจดำริดำริถึงอะไรดาริถึงสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้มรสเราได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นมีสองอย่างดีไม่ดีดีเราชอบใจไม่ดีเราไม่ชอบใจใจดาริถึงใจจึงเป็นทุกข์ ถ้าใจไม่ดำริถึงใจก็จะไม่เป็นทุกข์พี่เจ้าเริ่มขมวดเรื่องมาตรงนี้ในสติปัฏฐานเนี่ยท่านจะขมวดเรื่องมาตรงนี้ปัทุกทางใจของบุคคลเราเกิดที่ไหนเกิดที่นี่ไม่ได้เกิดที่อื่นเกิดขึ้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นที่จิตของเราเนี่ยดำริถึงดำริถึงสิ่งที่น่ารักจิตจึงผูกพันยึดมั่นยึดถือในในสิ่งสิ่งนั้นดำริถึงสิ่งที่น่าชัง จิตของเราจึงเกิดความรู้สึกเกลียดชังเกิดความรู้สึกไม่พอใจนั้งใจของเราก็ตกเป็นทาตยินดียินร้ายใจของเราตกเป็นทาตของความรู้สึกชอบใจและขัดใจและเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนี้อยู่ตลอดตรงนี้นี่แหละการดับทุกข์การแก้ไขทุกข์ที่จะให้ทุกข์ทางใจหมดไปเนี่ยเราต้องมาฝึกใจของเราเนี่ยให้ใจของเราหยุดดำํำริ เรื่องของการปฏิบัตินั้นไม่ใช่อืน่นไกลคือการพลากใจออกจากสิ่งที่จะทำให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยเรื่องของการปฏิบัติน่ะที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยมาสรุปลงตรงนี้เรามาฝึกพลากใจออกจากสิ่งที่จะทำให้ใจทุกข์อารมณ์ที่น่ารักเป็นเหตุให้ใจเกิดความผูกพันและใจเป็นทุกข์อารมณ์ที่น่าชังเป็นเหตุทำให้ใจของเราเกลียดชังและเป็นทุกข์ก็คือการพลากใจออกจากสิ่งที่น่ารักและน่าชัง การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลให้เราเข้าใจตรงนี้เราเนี้ไอสิ่งที่น่ารักน่าชังเนี่ยเป็นอารมณ์พิเศษเป็นอารมณ์พิเศษเป็นสิ่งพิเศษที่เขาดึงดูดจิตคือจิตของเราเนี่ยจะไปหาเขาโดยอัตโนมัติเราไม่ตั้งใจจะคิดถึงแต่จิตก็ไปคิดถึงสิ่งเนี้ยไอสิ่งที่น่ารักจิตชอบคิดถึงสิ่งที่น่าชังจิตก็ชอบคิดถึง แล้วจิตของเราก็ชอบมอมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตของเราก็เป็นทุกข์ต่อกับสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามาภากจิตผลักจิตออกคราวนี้ก็ย้อนกลับมาดูเรื่องที่นารักนาชางังเป็นเรื่องของบุคคลอื่นนะเป็นส่วนมากเป็นเรื่องของบุคคลอื่นรักคนอื่นชังคนอื่นนะไม่ได้รักตัวเองอย่างเราอะจริงไหมไม่รักตัวเองเนี่ยโยม่าจริงไหมจะสอนผิดหลักพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ จริงๆเนี่ยตนของตนเป็นที่รักของตนตนของตนเป็นที่รักของตนแต่เราเกิดไม่รักตนตัวเราเนี่ยเราเกิดไม่รักตัวเองเราไปรักคนอื่นมากกว่าจึงคิดถึงคนอื่นใจของเราจึงไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเห็นไหมว่าจิตเนี่ยชอบคิดถึงที่สุดดูก็ไดยเดี๋ยวนียตั้งแต่ที่ท่านทั้งหลายมานั่งตรงนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จเสร มีใครไม่ส่งจิตออกไปนอกห้องบ้างมีไหมจิตไม่ได้กล the really ับไปบ้านเลยมีไหมจิตไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยมีไหมก้ารับประกันโดยในตมาก้ารับประกันด้วยหรือหรือท่านจะค้านมีหรือเปล่าว่าตั้งแต่ฉันเข้ามาในห้องนี้ฉันคิดถึงตัวฉันอย่างเดียวฉันไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยมีบ้างหรือเปล่าเราคิดบางท e ีคิดไปตั้งจําไม่ได้ว kind of ่าคิดถึงใครกี่คนแล้วชั่วมองเดียวอ่ะแล้วก็วุ่นแล้วก็หมอกมุ่นอยู่เนี่ย งั้นไอ้จิตของเราเนี่ยนะที่เกิดความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเพราะจิตดำริ ถ, ถึงคนอื่นตรงนี้นี่แหละพระเบ리เจ้าก็สอนว่าเอาจิตกลับมาดึงจิตกลับมาเอามาไว้ที่ไหนเอามาไว้กับตัวเราเราจะแก้โดยการไม่ให้จิตไปอยู่กับคนอื่นต้องเอาจิตมาไว้กับตัวเราดึงจิตกลับมาหาตัวเราเอาจิตมาไว้กับตัวเรางั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่อื่นไกลอ่ะ ลากจิตออกจากสิ่งที่น่ารักน่าชังแล้วเอามาไว้กับตัวเราลากจิตออกจากคนอื่นแล้วเอามาไว้กับตัวเราและคนอื่นสิ่งที่น่ารักน่าชังถ้าเราวิเคราะห์ดูอีกนะก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของอดีตและอนาคตบุคคลที่เราคิดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของอดีตคุยกับเขาตั้งแต่เมื่อวานยังตกลงกันไม่ได้เก็บมาคิดวันนี้ ยังไม่ได้คุยกับเขาอยากจะพูดกันให้รู้เรื่องในเป็นเรื่องของอนาคตเก็บเอามาคิดตรงนี้ให้เรื่องที่เราคิดถึงบุคคลอื่นเป็นเรื่องในอดีตและอนาคตเราก็จะพบว่าไอ้เรื่องที่จิตของเราออกไปเนี่ยไปหาอดีตบ้างหันอาหาอนาคตบ้างพระรูปเจ้าท่านก็สอนว่าภาจิตออกจากอดีตอนาคตเสรแล้วเอามาไว้กับปัจจุบันนั้นหลักของการปฏิบัตินั้นให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้จิตทิ้งอดีตทิ้งอนาคต อนี้ปัจจุบันคืออะไรอปัจจุบันก็คือตัวเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นปัจจุบันเอากายเป็นปัจจุบันเอาความรู้สึกเป็นปัจจุบันท่านก็ให้เราเอาจิตเนี่ยมาไว้กับกายเอาจิตเนี่ยมาไว้กับความรู้สึกดนั้นเรื่องของการปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ใช่อื่นไกลนะให้จิตอยู่กับกายให้จิตอยู่กับความรู้สึกสาเหตุอยู่ที่ตรงนี้เราจึงมาฝึกกันไง เราฝึกอะไรต่างๆที่เราฝึกกันมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ฝึกมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยพองหนอยุบหนอก็คืออาการพองอาการยุบคือตัวเรายกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็คืออาการย่างอาการยกอาการย่างอาการเหยียบปัจจุบันของของกายเรานไอที่เรากําหนดเนี่ยมันเป็นการกําหนดตัวเราคราว <han. S 2> นี้สติปัฏฐานเนี่ยท่านเน้นว่าให้ใจอยู่กับตัวเราเท่านั้นเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึก พยายามพลากจิตนะจิตเวลาคิดถึงคนอื่นก็ดึงกลับมามาหากายมาหาความรู้สึกตรงนี้อันนี้เราก็เริ่มมาเริ่มฝึกพลากจิตออกจากอดีตอนาคตเพื่อไม่ให้จิตเป็นทุกข์เนี่ยเราก็เริ่มฝึกจิตให้จิตอยู่กับตัวเราวิธีเริ่มฝึกจิตให้จิตอยู่กับตัวเราเนี่ยสิ่งที่ท่านจะให้เราฝึกกําหนดนะจริงๆแล้วท่านเรียงตามลาดับพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูแล้วท่านรู้ใจพวกเราท่านรู้ใจของสรรพสัตว์ ว่าจิตของบุคคลเวลาจะฝึกเนี่ยฝึกกับอะไรอะไรก่อนจะสะดวกสบายท่านก็แสดงธรรมะตามำลำดับในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะเห็นว่าท่านแสดงกายเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะกายเป็นของหยาบต่อมาท่านแสดงเวทนาเพราะเวทนานั้นกำหนดได้ยากกว่ากายแต่เป็นสิ่งที่ยังกำหนดได้ความรู้สึกสบายเนี่ยปรากฏชัดความรู้สึกไม่สบายเนี่ยปรากฏชัดความรู้สึกเฉยเฉยก็พอกาหนดได้ ท่านก็เลยแสดงเวทนาเป็นอันดับที่สองต่อจากนั้นจิตเป็นสิ่งที่ลุ่มลึกท่านก็เลยเอาจิตไว้เป็นอันดับที่สามสุดท้ายสภาพธรรมที่อยู่ในจิตเป็นสิ่งที่สุขุมลุ่มลึกทำผีรภาพท่านเลยแสดงไว้เป็นอันดับสี่งั้นจิตของบุคคลเราต้องฝึกตามลําดับให้ฝึกตามลําดับฝึกกาหนดกายกําหนดเวทนากําหนดจิตกําหนดธรรมถามว่าต้องยึดหลักนี้ไว้เท่านั้นหรือจริงๆไม่ต้องยึดหลักนี้ไว้ก็ได้ ความชานาญของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกการสั่งสมมาของคนแต่ละคนไม่เหมือนกั น, นการมานั่งปฏิบัติตรงนี้ไม่ใช่ว่าท่านเริ่มวันนี้นะไม่ใช่เริ่มชาตินี้เริ่มมาแล้วหลายภพหลายชาติจึง ท, ทำให้มานั่งตรง น, นี้ทำให้มามาสนใจตรง น, นี้ทำให้มาปฏิบัติอย่างนี้เราเคยสั่งสมมาแล้วหลายภพหลายชาติเมื่อเราเคยสั่งสมมาแล้ว ความชำนาญของคนแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะชำนาญในการกำหนดกายมาแล้วบางท่านอาจจะชำนาญในการกำหนดเวทนามาแล้วบางท่านอาจจะชานาญในการกำหนดจิตมาแล้วบางท่านอาจจะชำนาญในกการกำหนดสภาพธรรมงั้นเรามากำหนดสักระยะหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งใดเรากำหนดได้สะดวกสบายกำหนดได้ง่าย ถ้าเรารู้ว่าเรากำหนดอะไรได้ง่ายเอาสิ่งนั้นเป็นอันดับต้นไม่จาเป็นต้องกายเวทนาจิตทำก็ได้เอาเวทนาก่อนก็ได้เอาจิตก่อนก็ได้เอาทำก่อนก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะจะกำหนดสะดวกสบายแต่เวลาครูบาอาจารย์สอนท่านก็สอนตามลำดับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยท่านไม่มีเจโตปริยญาณไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณ เหมือนกับครูบาอาจารย์ในยุก่อนเหมือนกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมีสัพพัญยุตยานท่านมีปุเพนิวาสานุสติยานท่านมีเจโตปริยญาณกําหนดใจคนอื่นได้กําหนดระลึกถึงชาติผลหลังๆของบุคคลคนนั้นได้เวลาพระองค์จะทรงสอนใครเนี่ยทรงมองไปหาอดีตว่าคนคนนี้เคยสั่งสมอะไรมาพอมองไปยังอดีต แล้วก็มาสอนปัจจุบันต่อเรื่องนั้นสอนใครอย่างท่านสอนท่านจุลปันทุกพรงจะทรงสอนท่านจุลปันทุกพระที่ชายเป็นพาระอรหันต์สอนไม่ได้พระรุ่ยเจ้าท่านสอนได้ท่านย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยเคยกําหนดอะไรมาท่านก็ทราบว่าในอดีตเคยกําหนดกายกายัคตาสติมาเมื่อเคยกําหนดกายยคตาสติท่านก็ส่งผ้าขาวให้ผือยหนึ่งเอาไปขยำํำขยำค่ะพิจารณาและโชหะะนั่งและชังหะรติ กำหนดไปกำหนดไปขยำไปสไปักเดี๋ยวเดียวเนี่ยผ้าขาวกลายเป็นผ้าดำเรากลายเป็นผ้าดําก็เลยจิดที่เคยชนานาญการสังสมมาในอดีตเนี่ยมันผุดขึ้นมาโอ้ร่างกายเราเป็นของสกโปกเนาะผ้าสะอาดแต่มาถูกกายอันสกโปกทําให้ผ้าสะอาดกลายเป็นผ้าสากโปกมองเห็นกลายเป็นของไม่สะอาดก็เลยเกิดความสังเวชเราเกิดความสังเวช เ, เนี่ยสภาพธรรมสติปัญญาก็เกิดเนี่ย เนี่ยท่านรู้ไงพระพุทธเจ้าท่านรู้แต่ปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยสั่งสมอะไรมาแล้วเวลามาฝึกการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนตามลําดับสอนเรื่องกายข่ามาหาครูบาอาจารย์ท่านก็จับเราเดินเลยบางแห่งก็ไมาอธิบายเราฟังให้เดินเดินไปแล้วเราก็รู้เดินไปสักระยะหนึ่งรู้ได้เหมือนกันแต่ฝาเราจะรู้ได้ในบางทีใจถอดไปแล้วไม่รู้ทําไปทําไมก็ไม่รู้นั่งกําหนด ครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องครูคบาอาจารย์ให้ทํำไปทไําำมแต่ถ้าเรามาปรับความเข้าใจกันก่อนนะเวลาครูคบาอาจารย์ท่านอยู่ใกล้เราเนี่ยท่านฝึกเคียงคู่เราเนี่ยทําแบบนั้นได้แต่มาที่นี่เนี่ยเขาเขาไม่ทําแบบนั้นนะเขาปล่อยท่านตามลําพังและมาที่นี่เทาให้ท่านไปอยู่ห้องตามลําพังเขาเขียนป้ายติดหน้าอกท่านว่าห้ามพูดนะก็ไม่ให้พูดนี่ไม่เห็นติดในวันนี้ มีติดไหมมีติดหรือเปล่าอ๋อมี ต, ตัวเล็กไปหน่อยเราเขียนติดเราห้ามพูดแต่ไม่ใช่มาห้ามพูดโดยสิ้นเชิงนะจําเป็นจะพูดก็พูดได้แต่ไม่จําเป็นก็อย่าพูดนะสงสัยอะไรต่างๆพูดแต่จะไปยืนคุยกันตามลําพังเนี่ยเราไม่อนุญาตสมอ า, ามอนุญาตให้ใช้สี่ิยาบทนะของเราเนี่ยใช้อยาบทเดินอยาบทยืนอยาบทนั่งแถมอิยาบทนอนให้ด้วยแถมนะแต่ไม่อนุญาติอิยาบทหลับหลับไม่อนุญาตใช้เดินกําหนด ยืนกำหนดนั่งกำหนดนอนก็กำหนดได้าการใช้ยาบทไม่สามารถดลกันทําให้จิตเครียดดัทงท่านทั้งหลายก็เอนแบบศีรษส่ายญญาดเคยเห็นพระนอนไหมศีรษะผ่าหมอนมือวางบนหมอนนะศีรษะด้านข้างข้างนี้ข้างขวาผาดแตะหมอนเท้าเหลื่อมเท้านะนอนแบบราชเฉลี่ยเท้าเหลื่อมเท้าแล้วก็มือวางไปข้างหน้าแล้วก็กําหนด แต่สีสะจดปลายเท้าปลายเท้ากลับมาทีสะวนเวียนไปวนเวียนมาใช้ยาบทนอนได้อย่าใช้นานนะยาบทนี้เผลอจะหลับถ้ารู้ตัวว่าใกล้จะหลับรีบลุกขึ้นทันทีเลยกาหนดอยาบทอื่นต่อเนี่ยการการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการมามาฝึกจิตภากจิตออกจากอดีตออกจากอนาคตนให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกเพราะจิตของเราเนี่ยคิดถึงสิ่งที่น่ารัก จิตจึงผูกพันคิดถึงสิ่งที่น่าชังจิตจึงเกลียดชังแต่ถ้าเอาจิตมาไว้กับกายเอาจิตมาไว้กับความรู้สึกจิตเขาจะหยุดคิดถึงเรื่องในอดีตหยุดคิดถึงเรื่องในอนาคตสาเหตุอยู่ที่ตรงนี้ที่าเรามาฝึกเพระเอาจิตไว้กับตัวเองเอาจิตไว้กับกายที่กําลังเดินอยู่กําลังยืนอยู่กาลังนั่งอยู่ พูดถึงกายก็มีกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนก ย, ยับห ย, ยับเมื่อตอนเราฝึกกายหยับหยับเนี่ยก่อนตัวกายหยาบหยับเราก็กําหนดบทสัมปชัญญะจ่ายละเอียดการคู่การเหยียดการก้มการเงยกา ร, การบริโภคอาหารเนี่ยเราจะค่อยๆอธิบายนะต่อไปเราจะจะฝึกกันหมดเลยนั้นวันนี้เนี่ยสําหรับท่านไปฝึกวันนี้ก็กําหนดสียาบทเนี่ยก่อนนะเดินยืนนั่งแถมรยาบทนอนให้แต่ไม่หลับนะ มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจ ด, ดูน่ะหลับในห้องเนี่ยเขารู้น่ะเอืมเขามีอตาทิพดูใครหลับอยู่ในห้องเนี่ยเจ้าหน้าที่รู้อืมีตาทิพดูหลับไม่ได้แต่ถ้านอนกําหนดเนี่ยเขาสาธุแล้วก็ไม่อนุญาตให้ปิดประตูในอตอนจะนอนน่ะกลัวจะเผลอหลับเปิดประตูทิ้งไว้ใชริยาบทนอนกําหนดสักสิบห้านาทีเพราะใครเครียดอีกตอนมันเครียดเต็มที่เนี่ยจุดมุ่งหมายของการเจริญสติที่ ท่านแสดงไว้เะื่อต้องการให้เร า, เามีการพัฒนาจิตเพื่ต้องการให้เราฝึกจิตมีการพัฒนาจิตให้จิตของเรานั้นเกิดความรู้สึกไวเกิดความรู้สึกทันต้องการให้เรามีสติกำกับในขณะเดินยืนนั่งนอนแล้วก็มีสติกำกับในขณะที่เราคิด คือต้องการให้เราเป็นอยู่โดยอาการมีสตินั่นเองมีสติตามระลึกนะตามรู้สึกรู้กายรู้จิตการปฏิบัติก็ไม่ใช่อื่นไกลอ่ะคือการคอยติดตามดูกายดูจิตของเราให้มีสติอยู่กับกายอยู่กับจิตตลอดเมื่อเรามีสติอยู่กับกายอยู่กับจิตเนี่ยก็จะทำให้จิตของเรานั้นปราศจากความกังวล ทำให้จิตของเรานั้นใม่สั่นใส่นะไม่ลิ้นหลนปัดแตงแล้วก็จะทําให้จิตของเราสงบทุกทางใจไม่เกิดขึ้นสติจะเป็นเครื่องดับทุกทางใจนะบุคคลใดมีสติกํากับจิตให้จิตของเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดบุคคลนั้นจะไม่เกิดความทุกทางใจ สติสามารถช่วยดับทุกข์ให้เราได้นะแล้วก็จิตของบุคคลที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้ท่านทั้งหลายลองพิสูจน์ดูก็ได้นะพิสูจน์ดูว่าถ้าเราไม่ปล่อยให้จิตของเราออกไปข้างนอกให้จิตอยู่อยู่แต่เฉพาะภายในจิตรู้แต่เฉพาะ ภายในตัวเราเนี่ยคือให้จิตรู้กายแล้วก็จิตรู้ความรู้สึกของตัวเราเองถ้าจิตอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกนะจิตไม่ออกไปข้างนอกแล้วเราสังเกตดูว่าจิตของเราจะวุ่นวายหรือเปล่าจิตของเราก็จะปรากศจากความวุ่นวายนะจิตของเราก็จะปราศจากความทุกขนะ์สติช่วยได้นะสติช่วยได้อย่างนี้ ครั้นี้เราเรามาเริ่มฝึกนะมาเริ่มฝึกการฝึกใหม่ๆก็จะมีอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเนี่ยอะไรจะเป็นอุปสรรคแก่เราอ่ะที่ตอนเรามาฝึกใหม่ๆเนี่ยอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเรานั้นเนี่ยมีอยู่สามประการด้วยกันประการแรกก็คือขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยจิตของเราเนี่ย พลานไปในอารมณ์จนเราดูจิตไม่ทันนะจิตของเราพลานไปในอารมณ์ต่างๆจิตเกิดอาการฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆกนนั้นเป็นอุปสรรคชนิดหนึ่งนะถ้าเราสังเกตเราก็จะเริ่มพบว่าตอนที่เรามาใหม่ๆเนี่ยเรายังปรับปรับจิตไม่ได้ระดับนะสาเหตุที่จิตฟุ้งนี่ไม่ใช่อื่นไกลอะ่ะเรายังปรับจิตของเราไม่ได้ระดับ เมื่อเราปรับจิตไม่ได้ระดับเนี่ยจิตของเราก็ฟุ้งไปอาการฟุ้งเกิดขึ้นสองสถานะนะสถานะแรกก็คือปรารบเพียนมากเกินไปจิตคิดจะเอามากเกินไปอยากจะทำให้ได้มากๆเรามาน้อยมาแค่เจ็ดคืนแปดวันเท่านั้นแล้วก็วันแรกจะเริ่มลงมือปฏิบัติก็ช่วงบ่ายใช่แล้ว ในวันสุดท้ายก็ไม่ได้ปฏิบัติเอกเขาก็จะปิดประชุมกันทําพิธีปิดประชุมกันแล้วเราก็จะเหลือเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพียงหกวันเต็มๆหกวันครึ่งหรือหกวันครึ่งเราจะช่วงเวลาตลางคืนมีครบเจ็ดคืนพอดีสรุปแล้วเจ็ดคืนกับหกวันครึ่งที่เราเขามีเวลามามาฝึกจิตนะมาอยู่กับกายมาอยู่กับกับความรู้สึกของเรา เราก็อยากจะกระทำให้มากต้องการจักระทำให้มากต้องการปฏิบัติให้มากราะนี้เราก็เลยปราลบความเพียรอย่างแรงกล้าทั้งใจปฏิบัติทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งและนอนใส่ใจอยู่ตลอดแต่ว่าเราเรามาฝึกใหม่ๆเนี่ยจิตของเรากำลังยังไม่เพียงพอนะนการปรับจิต ที่จะให้จิตอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ได้นั้นเนี่ยต้องต้องมีการปรับจิตให้ให้สมดุลกันในระหว่างสิ่งสองสิ่งสิ่งสองสิ่งคืออะไรอ่ะสิ่งสองสิ่งก็คือวิริยะประการหนึ่งแล้วก็สมาธิอีกประการหนึ่งต้องใช้สิ่งสองสิ่งเนี่ยมามาคอยประคับประคองกันเมื่อเราปรารบเพียนมากเกินไปจิตก็ไม่สงบ พอจิตไม่สงบจิตก็จะพล่านไปในอารมณ์ต่างๆจะต้องใช้พลังของสมาธินะคือจะต้องมีสมาธิเป็นกําลังพอประมาณถ้าเรามีสมาธิเป็นกําลังเนี่ยก็จะทําให้ให้จิตของเราเนี่ยหยุดพล่านไปในอารมณ์ต่างๆฮลิทําอย่างไรอะถ้าจิตพล่านไปในอารมณ์ต่างๆเกิดจากเราปรารถเพียนมากเกินไปเราก็ลดความเพียน ลงมาการปฏิบัติเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยเน้นกำหนดปัจจุบันธรรมเน้นการกำหนดกายเน้นการกำหนดจิตกำหนดกายที่ปรากฏกำหนดจิตที่กำลังคิดกำหนดกายกับกำหนดความรู้สึกสองประการถ้าเราพยายามกำหนดแล้วในเบื้องต้นกำหนดทันกาหนดไปสักระยะหนึ่ง จิตของเราเริ่มกำหนดไม่ทันแนละ้วจิตเริ่มฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆทั้งๆ ท, ที่เราพยายามอยู่แต่จิตไม่อยู่กับปัจจุบันธรรมเนี่ยถ้าเป็นไปในลักษณะนี้แสดงว่าจิตของเรานั้นเนี่ยเราพยายามมากเกินไปจิตต้องการจะเอามากเกินไปจิตเลยฟุง้งลดลงมานะแล้วก็ทำจิตให้สงบ กาต้องการให้เราทําจิตให้สงบสักระยะหนึ่งโดยการกําหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่จริงอาการพองอาการยุบเนี่ยกําหนดแล้วจิตสงบก็ได้นะกำหนดแล้วส่วนมากเรากําหนดแล้วจิตจะสงบเพราะว่าอาการเนี่ยมันถี่ตัวอาการเนี่ยถี่มากผองยุบผองยุบผองยุบเนี่ยพองนิดหนึ่งยุบพองนิดหนึ่งยุบเนี่ยอาการถี่ถี่เนี่ยเรากําหนดกําหนดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะข้าม ตามอาการไม่ทันพอตามอาการไม่ทันจิตก็จะอยู่อยู่ตรงเนี้ยจิตไม่ไปที่อื่นน่ะจิตจะเกาะจิตก็เลยเกาะติดอยู่พอเกาติดจิตก็เป็นสมาธิคราเนี่ยสมาธิเกิจิตสงบนะจิตสงบจับจิตตรงนี้ก็ได้เอาจิตที่สงบแล้วเนี่ยพอจิตสงบพอประมาณแล้วเราก็พอหยุดกําหนดตรงนี้เราลุกขึ้นเดินจงกรม ในในการกําหนดตามแนวนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านท่านจะให้เราเดินสลับกันนะ่ะนั่งกับเดินนั่งกับเดินนสลับกันท่านจะตั้งเวลาเลยเดินห้านาทีนั่งห้านาทีเดินสิบนาทีนั่งสิบนาทีเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือเดินหนึ่งชั่วโมงก็นั่งหนึ่งชั่วโมงเพราะระหว่างนั่งกับระหว่างเดินเนี่ยภาวะจิตเนี่ยจะสงบไม่ไม่ไม่เหมือนกัน เวลาเดินเนี่ยจิตจะไม่สงบสงบมีเล็กน้อยความพักเพียรความพยายามจะเกิดมากเวลานั่งอยู่เนี่ยกําหนดพองยุบพองยุบจิตจะสงบมากเพียรก็จะเหลือน้อยงั้นไอ้ปรับวิริยาบทกับนั่งกับเดินเท่ากันเนี่ยจะเป็นเหตุให้ให้สมาธิกับวิริยะเนี่ยสามาดุลกันพอดีจะไปลงตัวสามาดุลกัน สมาธิกับวิริยะนี่สมดุลกันเสมอกันเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้เราต้องการกําหนดอะไรก็กําหนดสะดวกต้องการจะกําหนดกายส่วนใดก็กําหนดส่วนนั้นได้ง่ายได้ต้องการจะกําหนดความรู้สึกชนิดไหนที่เกิดขึ้นก็กําหนดความรู้สึกตรงนั้นได้สะดวกคือจิตจะอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ได้สะดวกนี่นเอนงเรียกว่าสมาธิกับวิริยะเขาสมดุลกันเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ย จิตฟุ้งเป็นอุปสรรคสําหรับเราชนิดหนึ่งเราปฏิบั ต, ติแล้วเราเกิดอาการลาคาญหงุดหงิดเกิดความเดือดร้อนใจนะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยใจของเราลืมกําหนดผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะพบอยู่บ่อยๆว่าเวลาเราเราปฏิบัติไปเนี่ยเราลืมกําหนด เดินฝึสักระยะหนึ่งยืนสักระยะหนึ่งหรือเดินหรือหรือนั่งศักระยะหนึ่งเนี่ยจิตของเราลืมลืมใส่ใจคือเราเราลืมกําหนดปัจจุบันธรรมลืมกําหนดกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนคือปกติเวลาปฏิบัติเนี่ยท่านต้องการให้จิตอยู่ข้างในนะกําหนดภายในเนี้ยในตัวเราเนี่ย เน้นเอาในตัวเราก่อนแล้วตัวคนอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะสติปัฏฐานท่านแสดงทั้งภายในและภายนอกนะอัจฉัด ต, ตะนี่หมายถึงภายในพหิทธะหมายถึงภายนอกกำหนดกายในกายที่เป็นไปในภายในกำหนดกายในกายที่เป็นไปในภายนอกกายก็คือกายเนี่ยเป็นไปในภายในก็คือกายเรา เป็นไปในภายนอกก็คือกายคนอื่นแสดงว่าท่านให้กำหนดกายของคนอื่นได้แต่ว่าการกำหนดกายของคนอื่นก็ต้องกำหนดเป็นนะถ้ากำหนดไม่เป็นแล้วจิตของเราจะตกจากปัจจุบันธรรมนะตกจากปัจจุบันอารมณ์เวลาเราส่งใจไปข้างนอกจิตก็จะเพลินเพลินกับอะไรเพลินกับเรื่องสองเรื่องคิดเพลินเพลินในเรื่องของเขา เรื่องสองเรื่องในตัวเขาเรื่องที่เขากระทาดีแล้วก็เรื่องที่เขากระทาไม่ดีสุดท้ายลองคิดดูเวลาเราคิดถึงคนอื่นเราไม่ได้คิดถึงอะไรคิดถึงคนนั้นดีอย่างนั้นคิดถึงคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคิดสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันนั่งวิพากวิจารณ์กันนั่งริชินลินทากันเพราะอะไรอ่ะเพราะใจของเราเนี่ยเพลินเพลินออกไปข้างนอก ใจเพลินเนี่ยก็จะดำลิถึงถึงเรื่องของคนอื่นและใส่ใจในเรื่องของคนอื่นเขาเรียกว่าเพลิดเพลินบางทีเราก็ดูอะไรเพลินบางทีเราก็คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพลินจริงๆไอเ้เพลิเพนกับฟุ้งเนี่ยเป็นเป็นตัวเดียวกันนะเพลเพลินกับฟุ้งเนี่ยถ้าเราดูกันให้ชัดเจนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเดียวกันเลย ไอ้ทีคิดถึงไปคิดถึงออกไปข้างนอกเนี่ยจิตที่คิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดไอ้การคิดหลายๆเรื่องก็คือการฟุ้งนั่นเองตรงนี้จิตจิตเพลิดเพลินน่ะจิตเพลิดเพลินเพลิดเพลินแล้วก็ทําให้จิตขาดการกําหนดกําหนดปัจจุบันปัจจุบันในอารมณ์ขาดการกําหนดกายขาดการกําหนดความรู้สึกภาษาธรรมะท่านใช้คําว่านันท์ที่ นั่นที่แปลว่าความเพลิดเพลินเลยทําให้จิตตกจากปัจจุบันธรรมเราต้องระวังใจว่าเราจะไม่ปล่อยใจของเราเนี่ยเพลินออกไปข้างนอกนะจะให้ใจอยู่แต่เฉพาะภายในให้ใจของเราเนี่ยอยู่อยู่กับตัวเองอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกคร น, นี้ถ้าจะกําหนดภายนอกก็กําหนดได้กําหนดในสถานะเปรียบเทียบ เปรียบเทียบอย่างไรกายเดินของเราเป็นทุกอย่างไรกายเดินของคนอื่นเขาก็ท <te> AH> ุกอย่างนี้กายนั่งของเราเป็นทุกอย่างไรกายของคนอื่นเขาก็ทุกอย่างนี้กายนอนเรานอนแล้วเป็นทุกอย่างไรคนอื่นนอนก็เป็นทุกอย่างนี้คือดูคนอื่นดูในสถานะเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเราเป็นทุกอย่างไรคนอื่นเขาก็ทุกอย่างนี้จิตเราฟุ้งจิตไม่สงบอย่างไรจิตของคนอื่นฟุ้งก็เหมือนกัน เรียกว่าพิจารณาบุคคลอื่นพิจารณาในสถานะเปรียบเทียบเอาตัวเราเป็นเครื่องเปรียบพอเราเอาตัวเราไปเป็นเครื่องเปรียบเทียบเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นเน่ยทําให้ใจของเรานั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจชัดเจนเข้าใจชัดเจนว่ากายเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งตัวเราและเป็นทุกข์ทั้งบุคคลอื่น ถ้เราเข้าใจว่าเป็นทุกข์เราก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายใจที่เคยผูกพันพอใจในอัตภาพร่างกายของตัวเองก็จะคลายออกใจที่เคยผูกพันพอใจในอัตภาพร่างกายของบุคคลอื่นนั้นก็จะจะคลายออกไปทำให้เราสลัดสลัดออกให้ดูในรักษะเปรียบเทียบแล้วก็อีกประการหนึ่งนะทำประสาคะยะหนึ่งเกิดอาการง่วงนอนง่วงนอนเป็นอุปสรรคชนิดหนึ่งนะ ไอ้ตัวง่วงนอนเนี่ยจะเป็นอุปสรรคชนิดหนึง่งทําไปแล้วเกิอดอาการหลับนั่งสักเดี๋ยวหนึ่งก็งกหน้าโงกหลังและโยกหน้ายกหลังหลับนั่งหลับแล้วก็ทําให้เราอยากพักผ่อนนะเกิอดอาการง่วงง่วงทําให้เราอยากพักผ่อนอีกตอนง่วงนอนเนี่ยจิตตกจากปัจจุบันใอารมณ์และจิตของเราจะไม่อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ตรง น, นี้เขาเรียกว่าทีนามิทะนันทิธีนามิทะ โกสัจฉะ อ, อีกอีกอีกสิ่งหนึ่งนะโกสัชชะจฉะเคยได้ยินโกสัจฉะไหมเคยหรือเปล่าไม่เคยเลยนะมีไม่ในตัวเราโกสัจฉะมีความรู้สึกอย่างนี้บางไหม่ว่าพอก่อนเถอะกาลังเจริญสติอยู่บอกว่พักก่อนเถอะพอก่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่นีความรู้สึกอยากจะหยุดเขาเรียกว่าโกสัจฉะความเกียดคล้านนะจิตของเราเกิดอาการเกียดคล้าน เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่สามอย่างนะนั่นที่ความเพืิอเพลินทำให้จิตฟุ้งเนะี่ยแล้วก็หินามิทะง่วงเหงาหาวนอนโกสัชะความเกลียดครานอุปสรรคของของการเจริญสติปัฏฐานนะอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมถ้าเราเอาชนะสิ่งสามสิ่งนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะกำหนดปัจจุบันธรรมได้สะดวกนะกาหนดปัจจุบันธรรมได้ ตันนี้ทําอย่างไรอ่ะทามันเกิดอาการอาการง่วงนอนเนี่ยเราเราจะทำอย่างไรอ่ะนั่งไปสักระยะหนึ่งเกิดอาการง่วงนอนเนี่ยในในเอกสารเนี่ยเขามีนะพิมพ์แจกนะไม่รู้ทันได้รับกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะวิธีคลายความง่วงนอนเนี่ยเขามีไว้นะ่นเนี่ยมันศาสตราบอมีกันไหมแบบแผนเนี่ยฮะมีใช่ไหมีแหละเอาไปแก้ง่วงนะเวลาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยแกง่วงอันนี้พระเจ้าท่านแสดงอุบายแก้ง่วงให้กับท่านพระมหาโมคคลานะ พระมหาโมคลานะท่านไปนั่งโงกง่วงก็ทำความเทียนอยู่พระพุทธเจ้าก็ส อ, สอนสอนอุบายแก้ง่วงให้ให้พระมหมาโมคคลานะท่านท่านสอนให้ทำอย่างไรบ้างสอนให้นึกถึงสัญญาน่ะนึกถึงสัญญาคำว่าความจำก็คือนึกถึงสัญญานึกถึงความจำกระทำสัญญานึกถึงสัญญาให้มากตรึกตรองถึงทมที่ได้ศึกษามา ไข่ครวนธรรมะเอาหลักธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาคิดคิดถึงเรื่องที่ฟังจากอาจารย์ไปแล้วก็ได้สติอาจารย์ท่านบอกว่าสติคือความระลึกได้สัมพัญญะได้แก่ความรู้สึกตัวเนะล้วก็เอาไปขบคิดคิดถึงข้อธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วก็สาธยายนะสาธยายธรรมสาธยายมนก็ได้ส่วนมนเนี่ยการสวดมนการสาธยายธรรมท่องนั่นเองท่องท่องบน สาธยายสวดอิติปิโสพระควาอาราหังสัมมาสัมพุทธโววิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตร โ, โรโพริสัตถ์สวดนะสวดถ้าจิตมันก็ตื่นตื่นอยู่ตลอดทําให้จิตตื่นทําไมถ้าไม่หายท่านให้เอานิ้วยอนหูนิ้วยอนหูกับนิ้วแหยงเข้าไปในรูหูเอานิ้วยอนหูนี่จะทําให้ให้เกิดเกิดอาการคลายง่วงได้เวลาง่วงเนี่ยเอานิ้วยอนเข้าไปในหูเนี่ย อย่าย้อนลึกเยันเกินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวหูวอักเสบแล้วก็ย้อนหูแล้วก็ยังไม่หายทําไมลุกขึ้นยืนให้ลุกขึ้นยืนเอาน้ําลูบหน้านะเอาน้ําลูบหน้าเอาน้ําลูบไปที่ตาเนี่ยขยี้ขยี้หน่อยหนึ่งนะเอาน้ําลูบหน้าลูบตาถ้ายังไม่หายทําไมอ่ะแงนมองดูดาวท่านพูดในกรณีตอนกลางคืนแงนมองดูดาว กลางวันก็แงนดูดวงอาทิตย์นะหรือถ้าเราอยู่ภายในแงนดูหลอดไฟดวงไฟทําให้ใจตื่นได้นะแงนบองไปเนะี่ยทําให้ใจตื่นแล้วก็ทําความสําคัญนึกถึงแสงสว่างต่อจากนั้นถ้าไม่หายก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนะี่ยเดินช้าง่วงนองก็เดินให้เร็วหน่อยหนึ่งจะคลายง่วงได้นะเวลาเรา เรารับประทานอาหารใหม่ๆเนี่ยอาการง่วงนอนจะมาเยี่ยมเราท่านให้ไปเดินจงกรมน่ะเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยสักสามสิบนาทีจะทําให้อาหารเนี่ยย่อยง่ายและจะทําให้เราไม่ง่วงนอนไปเดินจงกรมสักประมาณสามสิบนาทีเนี่ยเวลาสุดท้ายไม่หายง่วงจริงๆทําอย่างไรท่านอนุญา ต, อ น, ญาตอนุญาตให้เรานอนบอกว่านอนโดยอาการมีสติสัมปชัญญะ เยังไงยังไงก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วจะไปนั่งพิงฝาผนังแล้วไม่ยอมนอนแต่ก็นั่งหลับนันก็ไม่ได้พิบุกไม่ได้ผลอะไรสู้นอนไม่ได้นะเราไปนั่งพยายามคิดว่าเราจะอดทนแต่ใจเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วคิดว่าอ๋อเมื่อกำหนดไม่ได้ก็นั่งหลับเอาแล้วกันกลัวคนอื่นเขาจะมาเห็นค่ะนั่งหลับที่ฝา ยังถือว่าเรานั่งอยู่นะไม่ได้นอนแต่นั่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าสกำหนดปัจจุบันไม่ได้ท่านอนุญาตให้เรานอนนอนแล้วมีสติสัมปชัญญะนอนโดยอาการมีสตินอนอย่างไรนอนโดยอาการมีสติเนี่ยคําว่านอนโดยอาการมีสตินั้นหมายถึงตั้งใจไว้ว่าตื่นขึ้นมาเวลาใดเราจะปรารบความเพียรทันทีเราลุกขึ้นมาเวลาใดเนี่ยเราจะกระทําความเพียรทันทีเรียกว่านอนโดยอาการมีสติ หลับโดยอาการมีสติใช้คำว่าหลับโดยอาการมีสติมีมีอยู่ข้อหนึ่งนะข้อห้าเนี่ยเหงนดูดาวเหลียวดูดาวเนี่ยเอาข้อนี้มาประยุกต์ใช้ได้นะจิตที่ถูกถีนํามิตาครอบงําเนี่ยเป็นเป็นจิตที่ท้อถอยท้อถอยต่อการรับรู้เรื่องราวต่างๆจิตจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องราวต่างๆนั่นนี่จิตจิตที่เกิดอาการง่วงนอนเนี่ย อาจารย์บรรยายก็ใจก็ไม่อยากรับรู้แล้วท่านจะพูดอะไรเราก็ไม่อยากรับรู้แล้วคนเดินไปเดินมาเราก็ไม่อยากเห็นแล้วจิตเนี่ยไม่ไ <size> ม่ต้องการรับรู้อารมณ์และถดถอยจากอารมณ์จะมีรูปมาก็ไม่อยากรับรู้เสียงมาก็ไม่อยากรับรู้กลิ่นมาก็ไม่อยากรับรู้รสมาก็ไม่ไม่ต้องการรับรู้จิตถดถอยท้อถอยจากอารมณ์ จิตที่ถดถอยจิตจากท้อถอยจากอารมณ์นี้นี่แหละจิตไม่ต้องการรับรู้ทำไมจิตจึงท้อถอยอะอารมณ์ที่เราเราเราตั้งใจดูเนี่ยมันมันไม่ใช่อารมณ์ที่จิตเขาชอบนะถ้าเป็นอารมณ์ที่จิตเขาชอบเนี่ยนั่งดูกันทั้งวันทั้งคืนจิตก็ไม่เบื่อคนที่ชอบดูบอล น, นั่งดูบอลตั้งแต่หัวค่มยันสว่างไม่หลับเคยเห็นไหม ไม่หลับคนชอบดูหนังดูละครไปดูหนังดูละครตีหนึ่งต herman, itos, ีสองตีสามยังไม่หลับเลยคนที่เขาเพลิเพลินในเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่หลับคนที่ชอบเล่นไพ่นั่งเล่นตั้งแต่หักข้ามยันสว่างไม่หลับทําไมไม่หลับแ่บเพราะจิตชอบจิตชอบสิ่งใดเนี่ยก็จะทําให้จิตตื่นจิตก็จะคิดถึงคิดถึงคิดถึงพอจิตคิดถึงคิดถึงจิตก็ตื่นไงไม่ยอมหลับคราวนี้เราจะทําแบบไหนถ้าเกิดอาการว่วงนอนเนี่ย เราเอาตรงนี้มาแก้ได้เลยดึงเอาตรงนี้มาแก้จิตเคยชอบอะไรปล่อยให้เขาไปหาสิ่งนั้นตามที่เขาชอบสักระยะหนึ่งถ้าเกิดอาการวุ่งนอนน่ะเขาชอบอะไรก็ปล่อยเข้าไปเขาอยากดูก็ให้เขาดูไปปล่อยค่ะเขาอยากคิดปล่อยเขาคิดไปถ้าเราปล่อยเขาเนี่ยเขาไปหาสิ่งที่เขาชอบเขาจะตื่นพอเขาตื่นแล้วเนี่ยเราต้องคุมเขาให้ได้นะ พอเขาตื่นแล้วเราก็เอาจิตที่ตื่นแล้วมาดูใหม่กายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นเป็นอารมณ์ที่น่าเบื่อนายเขาไปดูแล้วไม่น่าอภิรมไม่น่าชื่นชมยินดีอะไรอ่ะเราดูไปสักระยะหนึ่งจิตก็เบื่อจิตก็เลยถดถอยจิตพอถอยทีนามิตะมาล้วปล่อยจิตให้เขาไปหาอารมณ์ที่เขาชอบใจเนี่ยเขาก็ตื่น หรือเรามองไปไกลๆเนี่ยนะมองไปกลางวันก็มองดูก้อนเมฆเวลาเรามองเนี่ยจิตก็จะจินตนาการคิดนั่นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะจินตนาการเนี่ยจิตตื่นแล้วจิตตื่นหรือเรามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราก็นั่งมองพระพุทธรูปจิตก็คิดออกไปเรื่อยเปื่อยไปมองอะไรแล้วก็วคิดเนี่ยทําให้จิตตื่นได้แต่อาศัยนะอาศัยเป็นอุบายทําให้จิตตื่น พอจิตตื่นแล้วเราก็ดึงจิตที่ตื่นกลับมาปรปารกความเพียรต่อแล้วเราก็มากําหนดกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนของเราต่อไปแก้ความง่วงนอนได้อันนี้เป็นวิธีการแก้ถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีวิธีแก้อีกนะแก้โดยการกําหนดรู้เลยกําหนดตัวถีนมิทะตัวถีนมิทะเราจะกําหนดได้อย่างไร ก็จิตว่วงนอนจิตไม่ยอมรับรู้แล้วจะ ก, กําหนดได้อย่างไรจะ ก, กําหนดอะไรเวลา ง, ง่วงนอนน่ะจะ ก, กาหนดตรงไหนท่านให้เราใส่ใจถีนมิตระของความรู้สึกที่เบื่อหน่ายมันจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายภาษาธรรมะท่านใช้คําว่าอารติอรติอรติในที่นี้เนี่ยหมายถึงภาวะของจิตเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายต่ออารมณ์ที่มีอยู่ โลปมีอยู่ก็เบื่อหน่ายไม่ต้องการจะดูเสียงมีอยู่ก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ต้องการจะฟังไอความรู้สึกเบื่อหน่ายเนี่ยจะมีภายในเรากําหนดความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยที่มีะ น, ะนั่นแหละระลึกถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายตรงนั้นเลยพอเข้าขไปร ะ, ะลึกถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายเวลาใดเนี่ยก็จะทําให้ใจเนี่ยตื่นกําหนดทันใจตื่นทันทีนะ่ะพอกํากหนดความง่วงทันเนี่ยจะไม่ง่วง บางคนจเจริญสติเนี่ยจำหนดได้ตลอดคืนเลยไม่ห่วงอะ่ะจำหนดจนแปลกใจเอ๊ะเป็นอะไรตกใจโทรมาถามอาจารย์ทำไมไม่หลับอะ่ะทำไมไม่หลับเป็นเพราะอะไรอะ่ะ จ, จะหลับได้ยังไงเพราใจตื่นอยู่เนี่ยสติรู้เท่าทันเนี่ยจะทําให้ใจตื่นแล้วก็ไม่อ่อนเพรียนะถ้าเราตื่นด้วยอาการมีสติเงี้ยจะจะไม่อ่อนเพรียถ้าเราระลึกทันรู้ทันเนี่ยนี่เป็นเป็นอุบายในการแก้แก้ตัวธีนามิทะนะ่ะ กำหนดธีนามิท t h ไปเลยธีนามิท tha ได้เป็นอุปสรรคอุปสรรคชนิดหนึ่งเราเราเราจะต้องระวังเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีอุบายวิธีการแก้นันทิความเพลิดเพลินเกิดขึ้นมาเวลาใดเนี่ยต้องอาศัยการเตือนใจนะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่บอกว่าปัจจุบันนี้เรามาเจริญสติอยู่นะเราจะไม่ปล่อยใจตามท่านไปอ่ะกําหนดรู้ ใจที่กําลังเพลิดเพลินเรากําหนดรู้ใจที่กําลังเพลิดเพลินความเพลิดเพลินก็จะหยุดจิตก็จะมาอยู่กับปัจจุบั น, นอารมณ์เกิดความรู้สึกเกลียดคล้านโกรธสัชะเกิดขึ้นมาเวลาใดเราก็บอกว่านั่นแหนมาแล้วนี่แหละคือความเกลียดคล้านเราบอกนะบอกเกลียดวันนี่แหละคือความเกลียดคล้านมาแล้วเราจะไม่ยอมตามคือจะขี้เกลียดเราจะไม่ยอมขี้เกลียดตามต่อจากนั้น พอเรารู้ทันเขาก็จะหนีเราไปแต่เขาหนี้เราไปเราก็ปาลารบความเพียรต่อและอุปสรรคจะเกิดขึ้นกับเรานะสามปรานเวลาปฏิบัติธรรมให้เราระวังมาใหม่ๆคราวนี้ถ้ามันเกิดจากอะไรอ่ะฟุ้งเกิดจากอาการปราลารบมากเกินไปเราก็จริงๆปฏิบัติเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องรีบเร่งนะค่อยเป็นค่อยไปทําช้าๆท่านบอกว่าทําช้าๆค่อยเป็นค่อยไป การปฏิบัติทำปฏิบัติช้าๆผลก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเร่งแต่ขอให้ทำติดต่อกันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เรารีบเร่งแต่ท่านเน้นให้เรากระทำติดต่อกันให้ทำติดต่อกันไม่ขาดทำไปเรื่อยๆแต่ของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนะของเรามาทำกันเจ็ดวันแปดวันทำเต็มที่เลยพอครบเจ็ดวันแปดวันกลับไปทิ้งหมดเลยอีกเหมือนกัน ทิ้งหมดพอไปสักระยะหนึ่งเข้ามาทำเจ็ดวันแปดวันต่ออีกออกไปทิ้งหมดอีกเนี่ยทําไม่ติดต่อกันท่านต้องการให้เราเนี่ยเข้าใจและทําติดต่อกันไปอยู่ที่นี่ทําแบบนี้กลับไปที่บ้านก็ทําอย่างนี้ไปทํางานก็ทําอย่างนี้มีสติตามระลึกถึงกายมีสติตามระลึกถึงความรู้สึกอยู่อย่างนี้ท่านต้องการให้เราเจริญสติตลอดถ้าเราเจริญสติตลอดแล้วเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยเน้นการกระทําติดต่อกันจึงได้ผล ทำบ้างหยุดบ้างไม่ได้ผลนะถนนประมาทเหม e ือนกับการตีเหล็กไอการตีเหล็กแล้วจะให้เหล็กเนี่ยไปเป็นมีดหรือไปเป็นดาบเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องอาศัยเหล็กร้อนๆต้องตีตอนเหล็กร้อนๆเหล็กเย็นแล้วไม่ได้ผลไอการตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆการเจริญวิปัสสนาก็ต้องเจริญติดต่อกันพอเราเจริญติดต่อกันแล้วการการปฏิบัติก็ได้ผลให้ทําให้ติดต่อกันท่านต้องการให้เราทําให้ติดต่อกัน